เอออากทิไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเพวาจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สุขอามาเคสตัดีโอวนันนี้ลูกเป็นผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีเริ่มขาวัดปี2528เป็นผู้นำบุญทุกๆบุญที่หลวงพ่อให้ทำและทำหน้าที่ผู้นำรถด้ยวยค่ะ ปัจจุบันทำงานทวีลัยพยาบาลพระปกเกล้าลูกมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนผู้ชายหนึ่งหญิงสี่พ่อแม่มีอาชีพทำสวนพรไม้ทำสวนยางและทำนาคา้าตรงลูกเองประมาณปีสี่หนึ่งตั้งท้องได้สามเดือนแล้วแท้งไปตอนนั้นการท้ยลูกก็ไม่ได้กอ่อให้เกิดความเสียใจเลยเพราะมีความคิดว่าจะมีลูกแล้วต้องเลี้ยงดูทาให้การสร้างบารมีไม่เต็มที่ อ่ะแล้วกันในปีสีหนึ่งต้องทำหน้าที่ชวนคนงานมาค่าบูชาด้วยครัการมีลูกครั้งนี้ทําำการทําหน้าที่ไปเต็มที่พอแท้งลูกแล้วก็หมดห่วง oh. แล้วก็แต้งใจไม่แต้งท้องอีกเด็ขาดเลยค่ะครับโ oh. อ้ <laughs> แปลกดีแม่เสียชีวิตตอนลู ก, กอายุห้าขวบญาติบอกว่าสาเหตุที่แม่ตายนั้นมาจากญาติของแม่แต่งงานแล้วไม่เส้นผีจึงถูกผีกิน อาการก่อนตายนั่นแม่แลบลิ้นออกมายาวแลอยากกินเครื่องเส้นงานแต่งงานเช่นไก่ต้มขนมงานแต่งเป็นต้นเมื่อแม่เมื่อแม่เสียชีวิตพ่อก็ไม่มีเงินเท่าโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้พ่อไม่มีเงินทําศพแม่โอ้ชีวิตลันทดจังพ่อต้องไปจ้างคนที่โรงพยาบาลมาเก็บศพแม่ไปเผาแม่เป็นลูกคนโตเป็นคนจิตใจดีใจเย็นอดทนชอบช่วยเหลือคนอื่น จึงมีทีรักของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านและก็มักหอบผิวลูกๆไปช่วยงานบุญที่วัดและงานบุญของเพื่อนบ้านเสมอมีอยู่คราวหนึ่งลูกพอจําความได้พ่อได้ทะเลาะ ก, กับแม่และพ่อยกสําหรับอาหารทิ้งภาชนะที่ใส่อาหารแตกหมดจนไม่มีเหลือใส่อาหารเลยแถมไม่มีเงินซื้อใหม่อีกแม่จึงไม่เอาลองถายลองสันนิษฐานที่เอาอะไรเอากะลากะลา เอ๊ะทำไมรู้เรื่องก่อนเลยเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้สันนิษฐานวิทยาสันนิษฐานครับนี่ก็รู้ก่อนแม่จึงมีเอากระลามาพร้าวมาคูดขัดแล้วทาให้สวยงามเพื่อเอามาแทนพัะนาที่แตกไปนี่คือความใจเย็นและความอดทนของแม่ค่ะโอใจเย็นจังแต่ใครเคยทำาั้ง พ่อของลูกเป็นคนโมโหร้ายหงดหงิดง่ายใจร้อนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำลูกจะมักถูกตีบ่อยบางครั้งถูกตียังไม่มีเหตุผลตอนไห น, นพ่อไม่เมาพ่อจะเป็นคนใจดีมากเห็นหม้ครับเวลาไม่เมาคือไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่ดื่มแล้วไม่เมาก็ใจดีไม่ใช่นะ ค, ค, ความหมายเนี่ยหมายความเวลาไม่ดื่มนะครับจะเป็นคนใจดีจะชอบช่วยเหลือคุณคพ่อจะสอนลูกให้ตื่นเช้าแล้วมาสวดมนต์กับท่านทุกเช้า หลังจากนั้นก็ต่างคนต่างช่วยกันทํางานตามที่ได้รับมอบหมายทุกวันพระพ่อจะพาลูกๆไปทําบุญทิ่วัดเป็นประจําวัดจะอยู่ไกลจากบ้านมากหลังจากที่แม่ตายพ่อจะดื่มเหล้ามากขึ้นทุกวันทั้งดื่มคนเดียวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดื่มกับเพื่อนบ้างเมื่อพ่อเริ่มป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าพ่อเป็นโรคประสาทเป็นโรคนี้อยู่หลายปีแต่ก็ยังดื่มเหล้าเหมือนเดิม ต่อมาก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหารและติดตับ oh. สาเหตุประจาการดื่มเหล้าจนกระทําการผ่าตัดและก็ไม่นานก็เสียชีวิตไปตอนอายุ52ปี <c oughs> พี่ชางลูกมีอาชีพทําสวนผลไม้มีนิสัยคล้ายกๆกับพ่อคือ <c oughs> เป็นคนใจร้อนขี้ใจน้อยหงดหยิดง่ายชอบดื่มเหล้าดื่มทั้งวันดูสิ oh. นอกจากนั้นยังชอบคาสิ่งติดด้วย <c oughs> เห็นไหมเจ้าว่า oh. พ่อจะเป็นโมเดลของลูกเนี่ยเป็นต้นแบบเนี่ย พี่ชายชอบทําบุญวัดใกล้บ้านคือแม่จะเม า, าแต่ก็เข้าวัดเห็นใครเดือดร้อนกาเข้าไปช่วยเหลือแล้วเป็นคนนำลูกๆของเขาสวดมนต์คาถาชินนบัญชรพี่ชายมีภรรยาสองคนเสน่ห์แรง<อ>คนแรกมีลูกหนึ่งคนส่วนภรรยาคนที่สองมีลูกเดียวกันสี่คนผู้ชายสองหญิงสองลูกชายคนโตก็มีนิสัยคล้ายพี่ชายเห็นไหมโมเดลมันต่ อ, อคือชอบดื่มเหล้า โอ้เห็นไหมมันอัตราจริ ง, รงๆเลยนี่หลานสาวั้องคนลูกก็ได้ น, นํามาเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านลูกแล้วส่งให้เรียนทั้งคู่ซึ่งลูกมีความผูกพันกับหลานสาวทั้งสองนี้มาก oh. การดื่มเล่ามากเป็นประจำํำทำให้พี่ชายป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหารและกระเพาะ อ, อาหาร oh. หมอได้ทําการผ่าตัดช่วงที่พี่ชายป่วยลูกก็ทําหน้าที่ดูแลและบอกให้เขานึกถึงบุญตลอดเวลาครับตอนนั้นมีการบอกบุญสร้างงพระธรรมกายภายนอก ลูกกับบอยพี่ชายสร้างพระหนึ่งองค์ช่วงที่พี่ชายป่วยลูกก็ได้ออกบอกบุญองค์พระทุกวันพอกลับมาลูกเอาปัาจจัยที่ลูกได้บอกบุญมาให้พี่ชายอธิษฐานทุกครั้งลูกเห็นพี่ชายดีใจมากหลังจากนั้นพี่ชายก็ได้จากไปอย่างสงบนิ่งครับอี่จริงมันเยอะอตัดไปเลยดีกว่าพ่อแม่และพี่ชายลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะบุญทุกบุญที่ลูกทําอย่างต่อเนื่องแต่ปีสองแปพ่อแม่และพี่ชายได้รับไหมคะ แม่กับลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงไม่มีเงินแม้แต่เงินทําศพนี่ฟังให้ดีนะแม้แต่เงินทําศพลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงกระพ้าพ่อแม่แต่ยังเล็กลูกไดู้ดูแลพี่ชาย ต, อตลอดช่วงที่ป่วยจนเสียชีวิตบุญทุกบุญที่รวยเขาอนโมทนาบุญก่อนตายเขาจะได้รับไหมคะครับลูกกับหลานสาวสองคนวงแล็บลูกของวิ่ชาติีเสียชีวิตประกอบกัรอะไรมาคะจึงมาอยู่ด้วยกันและผูกพันกันมากลูกเคยตั้งท้องได้สมเดือน แล้วก็แทงเป็นเพระเาะอะไรคะครแล้วทาไมลูกจะไม่เสียใจกับการสูญเสียลูกคนนั้นไปอ๋ อ, อมาดูกันเลยแม่ตายแล้วก่อนตายไข้ขึ้นสูงแม่เกิดอาการเพอร้อไม่ใช่ผีเข้าแต่เป็นกรรมนิมิตตรงนี้ฟังให้ดีนะจ๊ะแต่เป็นกรรมมานิมิตของแม่นี่ฝันนี่ฝันกันนะ ค, คือก่อนแม่จะมาเกิด แม่เป็นกายสัมภเวสีท oh. ่องเที่ยวร่อนเร่หาที่เกิด oh. และอดๆอยากๆ oh. ต้องกินของเครื่องเส้นต่างๆที่เขาเส้นไหว้ตามที่ต่างๆทั่วไป oh. เพราะอ้อมแม่ในชาตินั้นไม่ค่อยได้ทําทาน oh. เมื่อได้ช่องเกิดคือได้จังหวะที่เกิด oh. ก็มากเกิดมาลําบากยากจนมาก แต่ชาตินี้เนี่ยพอเห็นทุกโทษก็เลยทํากุศลเอาไว้บ้างครับเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิมะเทวา อ, อยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งมีสภาพดีกว่าตอนก่อนมาเกิดหน่อยนึงคือตอนก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีกว่าสักหน่อยหนึ่ง ค, ค, คือเมื่อเดินเข้าไปที่เนินเขานั้นก็จะมีที่อยู่อาศัย มีอาหารรับประทานพอประมามีเสื้อผ้ามีเครื่องใช้อะไรเงาพวกนั้นที่ตายอายุสั้นเพราะฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพ<อ>ทําบาปอาติบาต บ, บุปกรรม์ที่ต้องใช้กระลาขัดเงาแทนภาชนะถ้วยชามที่พ่อบ้านเมาและโยนทิ้งและเมื่อตายก็ไม่มีเงินทําศพเล ย, เย ค, คือแม่นะ ในอดีตเคยเกิดเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนี่ฝันนี่ฝันกันนะครับฝันครับชาตินั้นเป็นคนตรณีและเคยตำหนิด่าว่าพระภิกษุในขณะที่ท่านกำลังบิดาบาดเอาไว้ว่าพระนี่เหมือนพวกขอทานต้องมาขอของเขากินแล้วก็บอกว่า ถ้าฉันตายแล้วก็คือถ้าตัวแม่ตายนะในชาตินั้นไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดมาเผาผี<อ>แล้วก็ชาตินั้นก็ไม่ได้ทําทานอะไรเลยนี่ก็เป็นวิจิกรรมด้วย<อ>ตายจากชาตินั้นก็ไปเป็นเปรตอยู่นานทีเดียวครับ<อ>หิวโหยทรมานมาก<อ>พลจากเปรตก็มาเป็นผีเร่ร่อนสัมเวสีหิวโหยเช่นกัน ต้องมาคอยกินของเส้นไหวเมื่อถึงยังวะตั้งข่าวท้ามนุษย์ก็เกิดมาลำบากยากจนแต่โชคดีชาตินี้ได้พอเห็นทุกโทษของการมีชีวิตเป็นมนุษย์ก็ขนขวายสร้างบุญบ้างได้รับบุญทุกบุญที่ลูกสาวทิพไปให้ตอนนี้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังเป็นภูมิเทวาอยู่แต่เป็นภูมิเทวาชั้นสูง สั้นสูงก็คือมีเสื้อมีผ้ามีเครื่องประดับมีแต่ว่าเครื่องประดับแบบภุมมะนะเหนือกว่ามนุษย์หน่อยหนึ่งพ่อตายไปแล้วก็ไปยมโลกไปถูกกรอกน้ำทองแดงอยู่ในขณะนี้ที่ไม่ไปลงมหานโกเพราะบุญก็เคยทําในสมัยเป็นมนุษย์อีกทั้งยังสวดมนต์ไหว้พระไปวัดตามโอกาสบ้างตอนนี้ไปถูกนอนหงายจับกรอกน้ําทองแดงนะ คนละน้ํากันนะเมื่อกี้นี่น้ําทองแดงจะมีอยู่ในยมโลกแต่น้ําทองดำเนี่ยน้ําดํามันอยู่ในมหานรก อ, อ, อได้รับบุญทุกบุญจากที่ลูกสาวทิศให้ก็ได้รับการลดหย่อนพ่นโทษแต่ก็ยังไม่หมดก็ยังโดนกรอกอยู่แต่ระยะเวลาจะลดหย่อนลงมาเมื่อลูกชมบุญด้วทิศต่อนเนื่องไปอีกก็ใกล้จะพ้นโทษแล้วตอนนี้<อ>เพราะบุญที่ลูกสาวทำอย่างต่อนเนื่องเนี่ยแล้วก็อุทิศไปให้ ที่อายุสั้นเพราะกรรมสุราคือท่านตายตอนอายุห้าสิบสองและปานาติบาตที่ตนได้ทําเป็นอจินกรรมพี่ชายตายแล้วก็ไปเกิดในยมโลกพยายมราชท่านตัดสินให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกโดยหนึ่งปีทิพย์ทำงาน9้าเดือนพักสมเดือนเพราะบุญที่สร้างพระธรรมกายไปจําตัวเลยไม่ต้องไปมหานรกเพราะบุญสร้างพระครับ ไปช่วยประคับประคองอาไว้ไปอุ้มเอาไว้เมื่อน้องทำบุญโดยที่ไปให้ก็ลดเหลือเวลาที่ต้องทำงานในยมโลกปีปีทิปคือหนึ่งปีทิปทำแค่6เดือนกับพัก6เดือน่วนเจ้าของเคสเดี้ลูกได้ทำกรรมไว้คือในอดีตเคยสนับสนุนให้ในชาติอดีตนะไม่ใช่ชาตินี้นะให้พ่อให้พี่และสามีในชาตินั้น เดิมอย่างดีทีเดียว oh. โดยหาเล่าและกลับแกล้มให้ด้วยความยินดี oh. เต็มใจเมื่อมาเกิดก็จะต้องเจอครอบครัวหรือมู่ญาติขี้เมาเนี่ยนะครับกอบกับชาตินั้นก็ไม่ค่อยได้ทำทานอะไ ร, รมัวแต่หาเล่าและกลับแกล้มเลี้ยงครอบครัวนะ oh. ในชาตินี้ก็เลยลํำบากบลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงกำพาพ่อแม่แต่ยังเล็ก เคยในชาตินั้นในะครั้งหนึ่งมีงานเลี้ยงก็สั่งล้มวัวแม่ลูกอ่อนโอ้ครับกรรมนั้นจึงทําให้เป็นกรรมพระกับหลานสาวสองคนนั้นอ่ะประกอบกรรมอะไรมาจึงได้ผูกพันกันเพราะเคยเกือ้อกูลกันในปัจจุบันและเคยเป็นลูกของตัวเองมาก่อนในอดีตครับแต่ชาตินั้นมีสามีขี้เมาชอบทุบตีโอจึงได้ตั้งความปรารถนาว่า ไม่อยากจะเจอสามีคนนั้นอีกแต่แล้วดีสามีขี้เมาคนนั้นในชาตินี้กลับว่าเกิดเป็นลูกได้สามเดือนก็แทงเพราะกรรมของสามีขี้เมาชอบทําปานาติบาตครับและยะสั้นกับความปรารถนาที่ไม่อยากจะเจอกันแต่เป็นการผูกพันกันมาก็เลยมาเข้าท้องครับในชาตินี้อีกอโหสิกรรมนะลุะครับ ถ้าจะไม่ให้แทงเนี่ยมันก็ต้องใหม่ท้องครับจะไม่ให้ท้องนี่นะอยู่เป็นโสดนะลูกนะครับมันมีวิธีเดียวอันนี้เรื่องจริงๆรเรื่องจริงเรื่องจริงๆถ้าลูกหยอกฟ้าฟังอยู่นะลูกนะรเรื่องราวต่างๆที่เคยดื่มสุรามเมลัยอะไรต่างๆเรานี้ลืมมันไปให้หมดนะจ๊ะอย่าไปคํานึงถึง แล้วก็อย่าทําอีกเราชนะแล้วก็อย่า ก, กลับไปทําอีกให้ทําแต่สิ่งดีๆทําแต่ความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันไปเรื่อยๆข่าถึงมาทรรมกายด้วยแล้วก็ยิ่งพ้นเลยเพราะฉะนั้นลืมไปนะลุงนะแต่าหาว่าเครียดจากงานจากการกลับมาคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ให้ออกจากความคิดทําจิตให้สงบเดี๋ยวก็จะพบทางออก มั่งสมาธิเยอะๆนะลุงนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตัดีในวันนี้อย่างย่อย